ขอกราบสวัสดีท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิประชาุมทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราชสองพรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิประชาุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้บริการสนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิประชาุมเป็นผู้ดําเนินรายการครับเช่นเคยครับวันนี้ทางรายการการพัฒนาพระเดถรปุกุลพระเถ ร, เรเบริโลกวัดประบอนเวชวิหารเป็นวิคอนตอบปัญหาธรรมะครับ หมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ตอนต้นก่อนอื่นขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับท่านผู้รฟังรายการครับเนื่องจากขณะนี้เกิดปัญหาน้ําท่วมอย่างมากเลยครับหลายจังหวัดนะครับทางด้านศูนย์สงเสริมพทธศาสนานะครับโดยการนําของประเดชคุณพระคุณท่านคุณอาจารย์นะครับก็ได้ทําการรับบริจาคแล้วก็ไปช่วยเหลือวัดต่างๆอย่างมากมายเลยนะครับตอนนี้ท่านคุณอาจารย์ได้ฝากผมประชาสัมพันธ์ไใ้ว่าเรามีศูนย์รับบริจาคนะครับสําหรับ เ, เงินที่จะช่วยเหลือพระภิกษุ ส, สงฆ์นะครับตามวัดต่างๆที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับไว้สามที่ได้กันนะครับที่ที่หนึ่งคือวัดยางสุทธาวาสนะครับที่ผ่านลบนะครับ ที่ทสองคือวัดเทพลีลาลามกําแหงนะครับเรือกที่ทสามคือวัดหนองเสืออาเภอเมืองจังหวัดลากบุรีนะครับวัดยางสุดทารามนะครับครับผมที่พันนกนะครับครับผมก็มีสามที่นะครับก็เชิญร่วมกันเบิจากนะครับช่วยเหลือพระพิสุทสงฆ์ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอย่างมากท่านผู้เชี่ยวชาญครับเมื่อส่งเมื่อผมดูข่าวทีวีรู้สึกป่าเปื้อมากท่านผู้เชี่ยวาเอ่อไปนํานําเรือไปถวายด้วยกันํามนำเรือไปถวายก็ ได้จังหวัดละสามสิบเก้าลำจังหวัดละสามสิบเก้าลำแพงแพงไหมครับจีคุณแจงครับลำนึ่งก็ลำ ห, หนึ่งประมาณสนะี่พันนะสี่พันไง สี่พันก็โยมบริจาค ก, กันบ้างศูนย์จ่ายเองก็ประมาณห <5, 000. S 2> ้าแสนข้าแสนตอนนั้นโยมโยมไปช่วยกันก็ดีให้โยมมาช่วยกันเยับก็อยากจะให้ช่วยกําังมากๆจะได้ไปรุ่นหนึ่งเพราะว่ารู้สึกยังยังหนักเหลือเกินครับตอนนี้ที่ต้องต้องการมากๆคือปัจจัยแล้วก็ของแห้งมาช่คือคือถ้าปัจจัยเนี่ยมันแปลอะไรได้เพราะเราต้องประสานกับพื้นที่ว่าที่ขาดแคลนจริง ๆ, ๆคืออะไรครับผมเราจะต้องเอาเร่งด่วนให้ได้ก่อนอ คือคือถ้าแจกอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายๆกับตอนสึนามิอ่าเห็นมันโรแกะแจกไปผ้าแล้วไปกองเป็นภูเขาหลบภัยก็ไม่ได้เร่งอะไรครับผมคือคือการแจกเนี่ยมันมันต้องมีข้อมูลในการแจกครับเพราะเงินเนี่ยมันมันมันจะแปรสภาพได้หมดครับถ้าของในบางทีอาจจะไปกองอยู่ครับผมครับที่คุณจ็ครับเราถ้าจะไปบจากที่วัดบวรได้ใช่ไหมที่ศูนย์ส่งเสริมที่ประตวได้ฮะที่ที่ที่ศูนย์ส่งเสริมก็ได้ครับผมแล้วก็ ที่สามที่ที่ผมแพกเนี่ยครับก็ขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับวัดอย่างสุทธารามนะครับกับผมที่พันนกนะครับครับผมวัดเทพลีลาแล้วก็วัดหนองเสือที่จังหวัดราดพรุ่นนะครับสามศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่รับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผ้าสงฆ์นะครับที่ตามแต่จังหวัดขณานี้รับโอ้โหขนาดนี้อะไรฮะน้าท่วมถึงขนาดที่ไม่สามารถที่จะบินตาบดได้เลยนะครับบินตาตดไม่ได้นะครับผมขอบคุณครับท่านผู้กระจายครับขอสายแรกเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสอบถามได้เลยครับครับศาสตราจารย์ท่านจะาคุณเลยนะครับครับผมอยากจะถามเก่ยกับคําว่าอาขันนี่จริงๆริงว่ามีคํานิยามว่าอย่างไรครับแล้วเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในคมด้วยศาสนาหรือเปล่าครับครับมีข้อเดียวนะครับข้อหนึ่งครับแล้วแล้วอีกข้อข้อต่อไปครับครับผมยังไม่ออกเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วฟังทตงพยืสนะครับ คำว่าอาถรรพ์อาถรรพ์นี่มันมาจากอาถรรพ์พนเวทนะฮะเป็นความเชื่อในของอินเดียครับเกี่ยวกับพวกเวทมนต์คาถาคงกัะพันชาซรีครกขังครังนะฮะพวกขังๆังทั้งหลายเนี่ ย, เ, ยวเวนี้อาถรรพ์มันก็ออกมาในหลายๆเรื่องแล้วแต่สรุปว่าอาถรรพ์ก็มาจากคุณไสยต่างๆ คุณใส่ต่างๆเวเวดเวดมนุษย์คาถาต่างๆแล้วก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์คงกับพันชาตรีอจจจัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปรอบกันเยอะเป็นภาษาของศาสนาพราหมณ<อ>์ภาษาของศาสนาพราหมณ์แต่ว่าศาสนาพุทธ<ง><อ>เราเนี่ยคือดินแดนตรงนี้ศาสนาภาษาสันสกฤตเข้ามาก่อนคอาถรรพ์นี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับครับครับคุณเจ้าพ่อจานกับสายที่สองมารออยู่ครับสวัสดีครับครับผมจะขอถามหลวงข้อน่อยดู สุดจากเกราาเี้ยงมาจกที่จากธรรมาทำนะฮะครับหรือผมจะสามารถในในหนังสีที่เราดูอ่ะเขา้าแบบผมดูอยู่เนี่ยฮะครับบอกว่าจะไม่ให้ไปผุดไปเกิดจะกัคขังวิญญาณไม่ให้ไปผุดไปเกิดดูในศาสนาพุทธนะฮะดูวิญญาณในศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นนามธรร ม, าามคือไม่มีรูปร่างฮะเขาจะไปจับได้ยังไงครับรครับ ไปตามความคิดที่ใจกขาถามว่ามีจริงหรืเปล่าฮะที่กัดวนขังไม่ให้ไปปุ่ไปเกิดนครับขอบขอบขอบคุณมากครับอมันเป็นความเชื่อผสมวัฒนธรรมจีนอินเดียนะฮะแล้วคนไทยเราไปรับมาทั้งรุ่นเลยเอยก็ไปจับมาได้แต่ว่าของเราไม่มีหรอกฮะแต่ลักษณะไปกัดขังหน่วงเหนี่ยวอะไรใครได้มันเป็นพลังเป็นพลังงานนะฮะมันเป็นกรรม เป็นกิเลสกักรรมสร้างขึ้นไปเป็นวิญญาณแล้วก็ถือไปสนทิเลยครับตายปั๊บก็เกิดปุ๊บเลยใครไปทำอะไรไม่ได้แล้วมันพูดเป็นนิยายมันก็ได้นะแต่ว่า ม, มันเป็นระบบความเชื่อที่มันไหลมาจากจีดอินเดียครับนะเราจะเห็นว่าของเราก็มีหนังนาคไปขังในหม้ออะ ไ, ไรต่ออะไรมียัน อั่นี้เกิดเป็นเป็นความเชื่อแบบผสมผสานแบบโบราณนะครับโบราณนะเป็นความเชื่อครับขอบคุณครับทีเป็นจากก็สายที่สามครับสวัสดีครับสวัสดีนักวิชาการสวัสดีนะครับครับอยากจะถามว่า มันมีมีบุนคคลท่านหนึ่งท่านแต่งหนังสือเกี่ยวกับจิตจั ก, กรวาลน่ะแล้วท่านก็บอกว่าการติดต่อกับจักรวาลได้ทางสมาธิท่านก็บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเนี่ยจักรวาลบันทึอกล้วยหมดแล้วท่านบอกว่าการของแต่ละคนเนี่ยนอกจากจะบรรคุยู่ในจิตของแต่ละคนแล้วน่ะมันยังบรรคุยู่ใน จักรวาลการดวงดาวต่างๆเวลาดวงดาวโคจรเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วิบากกรรมของมนุษย์สง่งผลของแต่ละคนคแล้วท่านก็บอกว่าขึ้นแม่เหล็กเซฟ้าจากดาวมาถูโ่ยมันก็มีผลต่อจิตใจและร่างกายของมนุษย์ไม่ทราบว่าพระคุญเจ้าจะแนะนำ <S <S อะไร <S <S ว่าจะเชื่อถือได้ขนาดไหนครับแค่นี้ล ะ, ค, ะครับและสกาย์็ครับอันนี้ก็เป็นระบบความเชื่อมอังกันนะครับ ความเชื่อเราจะเห็นว่าตรงเนี้ก็โยนใจเห็นว่ามันเป็นอุปาทานคือมันเกิดมาจากเราสัมผัสอารมณ์ที่เราได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้รินได้จับต้องมาในชีวิตประจําวันเนี่ยนะแล้วมันเกิดเป็นสัมผัสมันก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนเขาเล่าอ่ะเรื่องผีใช่ไหมถึงจุดหนึ่งพอเราสัมผัสเรารู้สึกกลัวรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอะไรตามก็ไปมันก็กลายเป็นเวทนาอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็อยาก อยากมันก็กลายเป็นตันหาตันหาแล้วมันก็ยึดมันก็มีอยู่ภายในจิตของเขา mm hmm. ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เขาคาดหมายเอาไว้มันก็แสดงว่าเป็นอิทธิพลในดวงดาวนั้นดวงดาวนี้ดวงดาวน้นก็ว่ากันไป <Okay. S 2> แต่ว่าทีนี้บางทีมันไม่เกิดอย่างที่เขาว่าก็บอกว่านี่ดีนะเพราะาเราได้สะดกดเคราะหไว้ทําไมสะดกเคราะหก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไร mm hmm. คือคือเขาหากินได้ตลอด <laughs> กินได้ตลอดโดยวิธีสร้างกระแสของตันหาอุปาทานพบขึ้นมาไปในจิตมนุษย์หรือการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสนี่ยแหละพวกนี้พวกนี้หากินได้ตลอดนะครับจับจับได้ที่คนยังยังยังเข่าอยู่อ่ะครับโอกาสที่จะตกเป็นเครื่องมือเขาก็จะมีได้ง่ายครับขอบคุณครับที่เป็นแขกรับสายที่สี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับการรมราชการนพพ่อครับ สวัสดีท่านผูะจัดรายการครับครับเชิญสอบถามได้เลยครับคือผมมีข้อเสนอแนะสําหรับอนักวิศวิทยาการทางภระพุทธศาสนานะฮะครับผมที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาธิสภาดิจิบัญญัติแทนชาติเนี่ยครับผมที่จะเอาที่จะเอาไปร่างกฎหมายรัฐมนูลในหมวดที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะฮะครับคือผมอยากจะมีข้อเสนอแนะว่ากฎหมายควรจะเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองครับ แล้วก็ปกป้องพระพุทธศาสนาครับรวมทั้งให้การสนับสนุนด้วยครับอย่าออกกฎหมายที่ลักษณะว่าห้ามโน่นห้ามนี่อย่างเรื่องเลี่ยลายเงินหรือว่าจะเข้ามาครอบงำไอ้ศาสนาสบัติกลางเนี่ยฮะครับเพราะว่าหลังจากวันที่สิก้าปัญญามาเนี่ยครับผมมีความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเป็นมากได้ครับได้ครับต้องลงตัวอีกหน่อยนะครับครับอยากฝากประเด็นนี้นะครับเพราะว่าดารานําแสดงฝ่ายชายเนี่ยครับสองคนเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาโอเคครับขอบขอบคุณมากครับครับผม ที่จริงก็วิตกกังวลกันอยู่นะครับเพราะว่าคือเราที่หวังได้เนี่ยจริงๆแล้วคนที่เป็นนักการาศาสนาของผู้จริงๆมีแค่อสองคนแต่นั่นเองครับแล้วก็คุณกัมาทั้งคู่แหละแต่มาเองไม่ค่อยเชื่อว่าเขาจะมีพลังมากพอ <c oughs> ในการที่จะถูกเฉียงในการที่จะพิปรายกัน <c oughs> เพราะว่าค่าวสอสอเราจะเห็นว่าชาวพุทธเรามีตั้งแปดสิบกว่าคนนะฮะ คน91ถ้าไร99เช่บไหมรเราก็มี80กวาแต่ว่าเราก็มีเสียงสนับสนุนพระพุทธศาสนาอยู่แค่6เสียงเ่นั่นเองครับตอนก็พูดเอาผงพูดได้แหละเราก็คาดหวังแต่ว่า จ, จำเป็นจะต้องมีพลังอะไรออกมาทำไงง้นจะเป็นอันตรายนะฮะคือคือคื อ, คอไม่ใช่โยมเห็นคนเดียวที่จริงเราก็ก็เห็นแล้วก็คุยกันอยู่บ่อยปรับกันอยู่บ่อย วันน like, <laughs> <inter> ี้มาก็นั่งอ่านหนังสืออยู่น่าฟังขากคุณขัตตุลจากภาษาที่สี่ครับสวัสดีครับสวัติภัทรับกขานธนาคารขัตตุลเลยครับครับท่านอยากจะสอบถามว่าเวลาเราดูปฏิทินเราจะเห็นคําว่าวันนั้นเป็นอธิบดีเวลานั้นเป็นการกิมีวันต่างๆที่มีคนได้กาหนดเช่นวันพระจันทรวันธงชัยเป็นการกิมีหรือเป็นอธิบดีเนี่ย แต่ใครเป็นคนกำหนดให้ให้วันเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นนะครับผมครับผมเราฟังทางพุทิยุนะครับครับขอบพระคุณมากครับเป<อ>็นวิธีทางโหราศาสตร์แล้วก็เป็นวิธีผสมผสานกับคุณไสยต่างๆนะฮะคือเราจะเห็นว่าหลักการของพระพุทธเจ้าว่าเลิกดียามดีขณะดีครูดีอยู่ที่การกระทําดีคุณท<อ>ําดีเวลาไหนคุณก็ดีเมื่อนั้นคุณทําชั่วเวลาไหนคุณก็ชั่วเมื่อนั้นเพราะฉั้นไม่ไม่มีเลิกผานาที สำหรับพระพุทธศาสนาอยู่ที่การทําดีก็เลิกดีแต่นั้นเด็กทาดีพูดดีคิดดีทุกขณะก็เลิกดีอยู่ทุกขณะครับแต่ว่าแนวเหล่านี้มันเป็นแนวที่แบบแบบว่าตะกี้นะี่ยคือสร้างตัณหาอุปาทานพบขึ้นภายในจิตของคนเหล่านั้นและตราบใดที่ตรงนี้ยังคลายไม่ออกเนี่ยเขาก็ต้องยึดติดอย่างนั้นนะแบบสะดอกเคราะห์แบบอะไรทั้งหมดเลยแนวเดียวกันทั้งหมดเรามาเคย เคยพเห็นแล้วก็ยังนึกขำอยู่จนทุกวันอ๋อเป็นวิธีการอย่างนี้เองเราสร้างเป็นกระบวนการทางจิตคือคือคืออย่าลืมว่ามนุษย์ในแต่ละวันเนี่ยเราสัมผัสอารมณ์ทางอาจตนะภายในแต่ไม่ใช่สัมผัสอารมณ์ก็คืออจตนาภายนอกแล้วมันก็เป็นความรู้แล้วก็เป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนา นะแล้วจากนั้นมันก็จะเป็นตันหาคือถ้าเราชอบก็เป็นกามาตันหาเพราะว่าตันหาเราไม่ชอบก็เป็นวิเพราะวตันหาแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเก็บอยู่ภายในใจคือเป็นอุปทานครับนะเป็นอุปทานเราก็ยึดติดด้วยอำนาจของสิ่งเหล่าเนี้ยถ้าเป็นอย่างที่เราคิดนะเราก็เพิ่มอุปทานหนักยิ่งขึ้น <ś lar ior i> ถ้าไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็มีคนแก้ต่างว่าเพราะเป็นอย่างนั้นอย่า ง, งานั้นเราก็ยึดติดมากยิ่งขึ้นโดยไปสะดะเคาะ เยอะฮะไปสะดอคล้อเพื่อจะให้พ้นเพะพอสะดอคร้อไปแล้วเนี่ยพวกหมอสะดอคร้อนี่กินทั้งขึ้นทั้งล่องกินได้ทั้งนั้นเลยครับก็บเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากครับยา ก, ยากที่จะแก้ไข บางทีไปเจออะไรมาเล็หน่อยก็โอ้โหเป็นการกิจจริงจริงเลยตรงนี้เป็นการกิจจริงจริงเลการของของคุณเจ้าจะติดจครับสายที่หกครับสวัสดีครับแฟนรายการครับครับนรัศการ์พ่อครับก็เจริญพรโยมบุญเรือนรายการครับมรณะสการ์ครับท่านครับอ่าได้อ่านข่าวทางหนังสือพิมพ์ที่พระที่ถูกวางระเบิดทําภาคใต้นายโยมครับผมพ่อครับ ไม่ทราว่าทางราชการจะมีมาตรการอะไรที่จะช่วยป้องกันพระให้ยิ่งกว่า น, นี้ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกสงสารมน้าที่ลงไปนะครับแล้ก็เป็นห่วงพระที่ยังอยู่ทุกวันนี้มากนะครับ <c oughs> เมื่อได้ข่าวว่าติดกล้องวงจรติดก็ <c oughs> ว่าน่าจะมีมาตรการที่ว่า <c oughs> <c oughs> จะนั่งดูหน้าจอหรือว่าเห็นใครที่ต้อ ง, งสงสัยหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> น่าจะเข้าไปตรวจสอบได้ไม่ต้องรอให้ต้องไปดูภาพเดือนนะครับ ครับการรัสการนะครับท่านครับครับแล้วฟังถามวิญญานะครับรัสการครับท่านครับก็ที่จริงเหตุการณ์นี้วันก่อนเนี้ยมาอาลงไปพอดีเจอไปดีไปเยี่ยมเลยครับท่านครับไปเยี่ยมพระที่บาดเจ็บอยู่ด้วยก็คือเรายังรู้สึกว่าแต่การดูแลการรักษาของเรานี้ยังยังเครียกว่าฉลาดแต่ขาดเฉลียว ครับทนครับนะขาดความระแวงแล้วก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือพวกนี้มันซุกตรงไหนก็ได้อ่ะครับพวกระเบิดแบบเนี้ยซุกซุกที่กล่องที่กระถางต้นไม้ที่อะไรก็ได้ทั้งหมดนะฮะที่ถังข ย, ขยะขยะมันก็ซุกได้ทั้งนั้นครับเพราะในการที่ถ้าหากว่าราษฎรไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเนี่ยทางราชการเนี่ยยังไงคนเขาก็กจ่ายไม่ได้ครับคนก็เขาก็ไม่ได้มีตาทิพย์อะไรหนึ่งนะ แต่ด้มีตาทิพูทิพอะไรแต่ว่าเราจะเห็นว่าทาหารเขาก็บาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีทหารตายพราก็บาดเจ็บไปก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคือคือคือเราต้องคิดว่าทางราชการเองก็พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาคิดแล้วเขาทำนะการทำเขาไม่มีคนเห็นการคิดเขาไม่มีใครได้ยินเย้ไหฮะ แต่ว่าเมื่อเขาทำไปแล้วเนี่ยตอนที่เราได้เห็นได้ยินเนี่ยมันระเบิดแล้วนั่นคือจุดอ่อนที่มนุษย์แก้ไม่ได้อ่ะมันมันจะต้องหาวิธีหลายๆวิธีมากกว่านั้นมาว่าแม้แต่การจับกลุ่มต่างๆเราก็ส่วนมากมักจะผ่อนปลนแล้วสารก็มักจะปล่อยเพราะงั้น อวิธีการเหล่านี้เราใจเห็นว่าไม่มีหลักฐานใช่ไหมครับไม่มีหลักฐานสมมุติจะ จ, จับจะ ไ, <ด>ได้ก็ต้องปล่อยต้องปล่อยครับตั้งจต่ได้ก็ต้องปล่อยเป็นวิธีที่แก้ยากเอามาลงไปดูสองสามครั้งแล้วก็โอ้เรื่องใหญ่เลยครับนะเรื่องใหญ่ตราบใดที่ยังเอาใจเข้ามาไม่ได้เนี่ยที่ที่ที่ที่จริงก็ดูประวัติศาสตร์แล้วเอาใจยากด้วย <laughs> นะเพราะว่ามันไม่ใช่วันสองวันนะครัเจ็ดร้อกว่าปี <700 S 2> าแล้วนปป <laughs> คะครนบครับก็คุณจะกระจาย ก, กับสายที่เจ็ดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอยากแคถามว่าไอที่ที่ปัดหลังควันอ่ะครับมันมันมันมานานอะด่ะเดี๋ยวถึงมันครับถ้าพูดไปมันจะผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับคับถามว่าไ อ, ไอ ท, ไอที่ที่มีคนขึ้นไปบ้านเขาทีนี้คนคนนั้นมีถูกกับคนบ้านนี้ก็เลยปัดหลังควานซะหน่อยใช่ไหมครับทีน่นิมนต์ไปปัดหลังค <c oughs> วานมันครับ ได้ครับได้ครับผมงั้นเราฟังทางวิทยุนะครับขอบพระคุณมากครับคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเฉยเฉยครับก็นี่ก็อุปาทานเหมือนกันนั่นแหละคือหมายความมาถ้าคนนี้ไปถึงตรงนี้มันจะเกิดเป็นเสนียดจังไรอัปมงคลเพราต้องทำทำพิธีปัดรางควานเมื่อรู้สึกว่าถ้าปัดรางควานมันหายเห็นไหมทั้งหมดจะเป็นอุปาทานที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ยึดแล้วเมื่อไรปล่อยมันก็จบแต่ถ้าถ้าเรายังยึดอยู่เราก็หนักอย่างงั้นนะฮะมันเป็นเป็นวิธีการในเชิงจิตวิทยาได้แต่มันไม่จริงอะ่ะครับนะคือสมัครคนเชื่อแล้วก็ฟังฟังได้แต่ว่าเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปัญหาที่เราไม่พยายามใช้ปัญญานะว่าเรื่องเป็นอะมากที่เราสร้างขึ้นมาเองครับมันไม่มีใครสร้างให้หรอกคือเรื่อใจมันยึดตัวเองครับ อายตัวก็ยุนงทุกทีฮะไอ้นี่ก็เหมือนกันปัดรังควางก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยครับขอบคุณคที่จะใจครับสายที่แปดครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงพ่อก็จะจะถามปัญหาหลวงพ่อหน่อยครับเชิญเลยครับสอบถามได้เลยครับที่ว่าวางวางระเบิดที่พระออกอินทบาลนั้นนะครับครับเขาว่าเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธเขาทําแล้วเขาไม่ปิด อ๋อครับครับครับสงสงสัยในประเด็นนี้ใช่ไหมครับครับแต่แต่ว่าในายศาสนาพุทธเขาทำอย่างนั้นเขาจะมีบาปครับเราเราเราเอย่าเพิ่งไปนั่นเลยนะครับว่าศาสนาไหนทํานะครับแต่ว่าไอ้นี้เป็นในถามในประเด็นว่าสงสัยว่าเรื่องบาปบุญอย่างที่ใช่นนะครับผมครับควับ กลับกนล้ฟังทางวิทยุนะครับขอบพระคุณมากครับคืออันนี้เป็นเป็นระบบความเชื่อแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครทำนะจริงๆคือเราอยู่คงพูดอะไรไปไม่ได้แต่ถ้าเราพูดถึงว่าดูศาสนาอิสลามเอง นะเขาก็เป็นบาปนะฮะอย่างท่านยุลารัชนีท่านเคยพูดบ่อยว่าเราเราเราเร า, เราทำคนตายคนหนึ่งชื่อว่าฆ่าคนทั้งโลกเพราะว่าครอบครัวเขาล่ะลูกเขาเมียเขาปูยา่ย่าตายายเขาไอวงศาคนายาเขาเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็สอนเรื่องเหล่านี้เหมือนกัน อนะแล้วก็ศาสนาทุกศาสนาในแง่ของความจริงเรื่องศีลสี่ข้อแรกนะฮะห้าข้อเนี่ยศีลห้าเนี่ยพูดง่าว่าศีลห้าเนี่ยเราเรียกว่าศีลห้าแต่ยิ่งมีคําสอนอย่างนี้สสนอยู่ทุกศาสนาครับยิ่งแต่ว่าใครก็จะเชื่อจรู้ไม่เชื่อส่วนมากพวกนี้มันจะอ้างศาสนาเป็นเครื่องมือเฉยๆครับถ้าเขามีศาสนาอยู่ในหัวใจจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทําหรอกครับเพราะว่าก็ปรากฏว่า ทางอะไรเที่ยวผู้ใหญ่ทางศาสนาอิสลามก็ออกมาประนามเพราะว่าใกล้วันให้ระยอเลยเขารับแล้วก็ไปสร้างเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแต่เราก็ไม่รู้ใครทําอย่างนี้ว่าของหารตาพายบับที่จะควรจะไปประชุมเรื่องความสมานฉันระหว่างศาสนานี่บรรยากาศเป็นยังไงครับโอ้บรรยากาศมันอบอุ่นคือคือจริงๆในในความรู้สึกเที่ยมาสัมผัสด้วยตัวเองครับเราไม่เจอตัวแทนศาสนาไหนที่เป็นคนเลวครับผม เราเจอแต่คนดีแล้วอบอุ่นนะฮะครับอบอุ่นสัมผัสได้ค ร, รับถ้าจุฬาลัมไตรีเราก็สัมผัสได้คานินันเราก็สัมผัสได้ท่านครูวามาเทพเราก็สัมผัสได้ทุกคนเราสัมผัสได้หมดเลย <S S S S S ครับพอเข้าใกล้เนี่ยมันจะย็นว่าเรามีไมตรีจิตต่อกันเราก็มีเมตตาต่อกัน <S S ครับเราเห็นเราก็ยิ้มก็หักกันแล้วมันใจมันไม่มีอย่างนั้นเพราะงั้นที่เท่าที่พบเห็นมายังไม่เจอคนเลวในตัวแทนศาสนาที่เราร่วมสัมมนาการมรุส ก, กิครั้งแล้วนะครับผม ก็คุยกันเหมือนกับคนที่จกักกามนาถเลยทั้งไปครับเพราะนักการศาสนาที่จริงถ้ามีศาสนาอยู่ในหัวใจแล้วไม่มีความขัดแย้งในความเป็นศาสนาจริงๆจะสามารถคุยกันได้แต่คนที่คุยกันแล้วขัดแย้งกันเนี่ยแสดงไม่เข้าถึงศาสนาทั้งทั้งคู่นั่นแหละขอบคุณครับที่กดแจกรับสายที่8ครับสวัสดีคระรายการครับรายการนักการศึกษาประจำเดือนรายการนะคะขอถามปัญหาข้อที่หนึ่งนักสมาครทางศิลป์8 ในข้อที่เจ็ดให้เราสามารถดูข่าวหรือสารคดีได้หรือเปล่าก็ข้อเจ็ดสามารถทําไมนะครับเราสามารถจะดูข่าวแล้วก็สารคดีได้ในในวัฒนธรรมศาสตร์สิงแสเลยนะครัะสิ่งในข้อที่เจ็ดเนี่ยค่ะเราสามารถจะดูข่าวหรือสารคดีได้หรือเปล่าครับข้อที่สองว่าไงครับข้อที่สองน้ำตาลนะน้ำมะพ้าวสดหรือเป็นน้าตาลลได้หรือง่ายแล้วก็น้ํามะตูมและน้ําดอก เต๊กพไวยนะคะต้องนํำอามาต้มก่อนใช่ไหมคะเราถือเป็นนั้นบรรณได้หม่นะคะกราบขอบคุณมากเลยครับอเข้าเรื่องการเรื่องดนตรีเรื่องการเล่นเล่นที่เป็นการยั่วราคาโลภโทสะนะฮะไอพวกข่าวไม่ได้เกี่ยวครับเป็นเรื่องให้วิชาความรู้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆแต่เรถึงสารคดียิ่งเป็นวิชาการใหญ่เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเหล่านั้นครับคือคือเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วพวกหนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอก เป็นจุดตอนต้นๆเป็นศีลคือคือเราต้องนึกดูว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านดูผู้หญิงไร่รำเนี่ยกลายเป็นโครงกระดูกเคลื่อนไหวและเจริองกับฐ า, านบรรลุมรรคผลได้คือปัญหาสําคัญอยู่ที่เราคิดยังไงมากกว่าอะไรคือเราดูเราฟังอะไรมากกว่าคือคือคือเราคิดยังไงมากกว่า สิ่งบบที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ชิมจะจับต้องออออส่วนน้ําป่าน้ํามะามมาพร้าวไม่ได้นะะมะพร้าวมั น, นะม เ, มนเป็นมหาผลต่ไม่ได้คือคือผลไม้ที่โตเนี่ยเช่นสับปะรดอย่างเงี้ยมดพร้าวอยนะ่างเงี้ยเอามายังนั่นเน่ยยังเจอของการบินไทยคนระับน้ำส้มการบินไทยมันใส่สับปะรดนะอเมื่อก่อ น, น<า>เราไม่รู้เลยเอ๊ะออะไรเนี่ย แต่ว่ามันก็ขึ้นเครื่องบินตอนเช้านะเราก็ไม่ได้บาดอะไรไปไปดูโอดตายเลยนี่มันใส่สับปะรดจัดไม่ได้นั่นเนี่ยแล้วมะตูมแค่ขวยครับ อ, อ่แก่ขวยไม่เกี่ยวฮะขวยไม่เกี่ย ว, วชันเออชั้นได้เล ย, เลยกินได้เลย ค, คนรักษาชิ้นแปดเนี่ยน้ำมะตูมเนี่ยได้มะตูมได้น้ำมะตูมถือว่าเป็นผลไม้ใหญ่ที่ทรงอนุญาตครับ เวลานี้มันมันมีปัญหาอยู่เรื่องฝรั่งฝรั่งปกติมันจะเล็กกว่าประตูไม่ไมันโตกว่าเด็กโตทั้งหมดเลยตั้งทั้งที่ฝรั่งเป็นผลไม่อนุญาตนะฮะครับผมเพราะว่าผลมันโตเวลานี้มันพัฒนากั้นไปเยอะคขอบคุณพระคุณเจครับสายที่เก้าครับสวัสดีครับฝ่ายการครับสวัสดีครับการนมัดกการประเดี๋ยุขเจ้าครับเอ่อขอกราบเรียนฝากถึงพระคุณเจ้าที่ิดนึงนะครับก็คือว่า เรามีกระทรวงวัฒนธรรมมานะครับแต่ภาพที่ออกมาไม่ว่าจะในทีวีหรือภาพยุดเลยก็แล้วแต่นะครับคนที่แสดงเป็นผู้ไร้หดเขียบนี่มักจะแควนครับเต็มคอเนี่ยนะครับเลยกลายจุบันว่าพระเครื่องหรือข้าวิชาของชาปุ้ดเทียบภูมิลักษณ์ของคนเลวหรือคนชั่วไปอะไรกับตรงนั้นครับทีนี้แต่หากว่าเรามีกระทรวงศาสนาหรือว่าสํานักฟุตเนี่ยครับ อยาจะฝากอันนี <ad> ้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้กระลาช่วยไออันนี้ด้วยนะครับเท่ากับประคุณครับข้อคิดที่เยอะนะใชใช่ถูกต้องถูกต้องฮะที่ที่ที่ที่โยมถามเนี่ยมาเคยมีความรู้สึกเรื่องอขุนอะไรอ่ะที่ที่เกี่ยวกับกระ แล้วก็ตัวโกงอ่ะมันเขาเชื่ออ ร, ริทูลชัยหรืออะไรเลยที่เขาหน้าทือสลาใช่ไหมแล้วก็แขวนพระเครื่องพระเครื่องปรอมๆนั่นอ่ะแต่นี่ <S <S <S เออเราเออเขาคิดกันเขาอย่างไงเนี่ย <S <S <S คือคนไทยเนี่ยบางชีนี่มันหลวม คือว่าแกนึกถึงเรื่องของแกแล้วแกอธิบายได้ทุกเรื่องแกบอกแกอธิบายได้ทุกเรื่องครับแกเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือในการหากินมันหมายความอย่างไงคนที่พระอยู่กับคอเนี่แสดงว่าพระต้องอยู่ที่ใจด้วยครนะถ้าว่าพระอยู่ที่คอเฉยๆโดยไม่อยู่ที่ใจนี่เธอก็ไปไม่รอดหรอกครับพระจริงๆมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อคอที่คอก็เป็นตัวกระตุ้นเฉยๆ เป็นเป็นประเด็นที่ที่โยมที่โยมพูดน่าคิดนะครับเด็ดเด็ <ๆ S 1> เราต้องต้องหาทางต้องหาทางคุยกับกรมกันนาะน<า>ิกเดีดยดอ๋อฮะพรุ่งนี้พรุงพร่งนี้พรุงพร่งนี้พรุ่งนี้นวันขาว น, นะ้าวใช่ใชราชการก็หยุด<า>แต่ราชการก็ ทำงานเดียวก็ก็จะลองคุยกับอธบดีกรุณกาตนาดูเอาครับอย่โจรแกลัดารอดนะใช่ใช่ใช่รัจริงนะเป็นเป็นวิธีสังเกตที่ดีมากครับโนธนาครับขอบคุณครับผมสายที่สิบครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับครับถามมารขานอนุนนะครับครับคือผมอยากจะสอบถามว่าเกี่ยวกับผมคือก็เคยเรียนเรียนตามในวิชาเอย อุตสาระในโรงเรียนนะครับก็มักจะพูดถึงเรื่องคนเนี่เกิดมาจากลิงนะครับคือเขาพอดถเกิดกลาวว่าเออมันเป็นไปอย่างไรครับทือเขาบอกว่าคนวิวัฒนาการครับวิวัฒนาการมาจากลิงวิวัฒนาการเนี่ยคือทางกายภาพในวิวัฒนาการได้จริงหือเปล่าครับแล้วทาไมถึงมาขึ่นสุดแค่คนครับครับผมแล้วทำไมอย่าอยู่ไม่ขึ้นสุดเลยนะครับครับแล้วลิงมาจากไหนครับครับแล้วฝ่ายยามิจิตนะครับ ครับกมขอุณมากครับเอ่อประเด็นนี้นิติริของชาญดาวิดเนี่ยอามาไม่เชื่อตั้งแต่ต้นนลยนะแล้วก็ใครจะเชื่อก็เชื่อมาไม่เชื่อมาไม่อามาไม่เคยคิดตัวเองเป็นลูกหลานลิงเราก็คือมนุษย์เราก็มีสายพันธุ์อีกต่งหนึ่งต่างหากกันนะฮะคือตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้แสดงเรื่องนี้ว่ามนุษย์นั้นมาจากลิงคือมนุษย์ก็มีกําเนิดของตัวเองที่จริงมาจากเป็นเทพอาพัสระโดยิมไปนะ เนวัตถุเรื่องแสงที่มาจากพรหมโลกได้ทําไปครับแล้วก็มาถึงก็มาติดโลกอยู่แล้วก็ผ่านวิวัฒนาการขึ้นมาจนร่างกายหยาบหนาขึ้นไปเรื่อยๆก็กลายมาเป็นมนุษย์สืบต่อจนถึงถึงปัจจุบันเนี่ยนั้นไม่เป็นความเชื่อของฝรั่งนะฮะคือก็ปล่อยเข้าไปใครอยากเชื่อก็เชื่อครับแต่เราเชื่ออย่างนั้นเราก็เสียเชิงฮะนับดูว่ายังไงเราก็เป็นลูกล้านเองเนี่ย ทีนี้มันมัอย่างที่โยมสังเกตถูกต้องคือหมายความเมื่อเมื่อวิวัฒนาการได้ทําไมไม่วิวัฒนาการต่อคแต่ทำไมจึงอยู่ตรงนี้ก็วิจก็วิวัฒนาการต่อไปสิแล้วคนยังเหลือเป็นเป็นคนอยู่หลายพันปีแล้วทําไมไม่วิวัฒนาการต่อไปล่ะเออก็น่าคิดนะน่าคิดกออนัฒนาขอระคครับสาวสาวที่สิบเอ็ดครับผมสวัสดีครับครับขอถามปัญหาสองข้อนครับครับเฉลยครับเออก็ได้ เขาอย่างเราไม่ทำบาปทำบุญนี่เป็นทางสายการรึเปล่าครับแล้วข้อสองฮะหมอชีวพลินเป็นหมอเทวดาผู้ยดหมอล่ครับครับผมเราฟังทางผู้ยศนะครับครับครับขอบคุณมากครับอ่ะคือมนุษย์ไม่มีหรอะคุณไม่ทําบาปทําบุญนี่ไม่มีล่ะครับคือบาปเนี่มันเริ่มจากความคิดคุณเห็นสตางค์คนอื่นวางอยู่นี่คุณคิดอยากได้คุณก็บาปแล้วครับ ทีนี้ถ้าสตางค์น้อยนี่คุณอาจจะคิดสงสารเจ้าของสตางค์แต่ถ้าเงินเป็น ล, ล้านๆเนี่ยคุณจะคิดโลภหรือเปล่าถ้าคุณคิดโลภปั๊บมันก็เป็นบาปแล้วเพราะมั้นเป็นสายกลางไม่ได้หรอกมันมันมันจิตมนุษย์เป็นยังไงมันก็มีกิเลสอะ่ะทีนี้หมอชีวกโกมาราพัฒนเนี่ยมันเป็นพูดคือการเปรียบเทียบในเราเปรียบเทียบไม่ได้ปัญหาว่าใครมาเปรียบเทียบกับใคร นะเช่นเอาฮูโตไปเปรียบเทียบกับหมอชีวกอย่างนี้มันคนละยุคคนละสมัยกันและความสามารถเปงคนละทางกันเพราะฉะนั้นเฉพาะยุคที่หมอชีวกโกมารพัฒมีชีวิตอยู่เอาเฉพาะตรงนั้นก็ท่านก็เป็นยอดเป็นปรมาจารย์ของหมอจนทุกวันหมอในประเทศไทยเนี่ยก็นับถือท่านเป็นปรมาจารย์ร <S <S นะก็เป็นสุดยอดแหละสําหรับยุคนั้นนะฮะแต่ว่าเราไปเปรียบกับยุคอื่นก็คงไม่ได้เราไม่มีข้อมูลนะฮะ แต่ว่าหมอชีวกมันผ่านระบบที่ผ่าตัดสมองได้แล้วนะคนคนไปโรคทิศซีดวงในท่านป้ายาทีเดียวท่านก็นหายแล้วนะเราจะเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าถูกเทวทัตกลิ่งหินกระทบจนหอบประโลยหิตในท่านปปโปยาแป๊บเดียวหายแล้ว ก, ก็ก็แสดงว่าเก่งมากๆนะะแต่ว่าไม่มีคนสืบต่อ ความรู้ของท่านเนี่ยไม่มีคนสืบต่อถ้าคนสืบต่อได้อย่างนึกว่าการแพทย์ของอินเดียนี่โอ้มันจะล้ําหน้ามนุษยชาติไปเยอะมากครับไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ยังว่าส่วนเด่นๆพวกนี้มักจะหายไปครับเพราะว่าแพทย์สมัยโบราณเนี่ยเขาเป็นแพทย์คุณธรรมครัคือถ้าคนไม่มีคุณธรรมพอเนี่ยเขาไม่สอนให้ครับก็ทําให้ทําให้วิชาเป็นอันมากที่หายไปครับ อ่าครับขอบคุณครับผมสายต่อไปสายที่สิบสองมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับเออตอนนั้นเคยถามเมื่อวันจันทรครับทางผู้พิพากานครับคนหนึ่งก็ถามว่าครับอภิญญาทำได้ทุกคนไหมครับผมคนสองถามว่า เออสินอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาอบรมเพือกุลกิจานุการมยครับครับผมากจะถามตรง น, นี้ว่าเอออภิญญาเนี่ยผมผมเคยทำลมเกิดฐานฮะตอนเรกมันต่อเนื่องกันฮะเหมือนกันผมํามค้าที่หกนะครับคือขอขอถามี้นะครับครับผมเออเคยมีผมเลือกจากอนาปาเขาไปนั่งทำแอร์ลมเิดฐานแล้วมีก่อนนี้จะทำลมเกิดฐานมันแปลกมากเลยนะในที เออมีผู้หญิงคนมีมค น, นึ่งท่านนี้ทำนะี้แล้วแล้วก็ไม่งานผมก็ปฏิบัติได้พอปฏิบัติไา้ก็พาผมมันร้ออยู่ที่หน้าโรงไก่ไก่มันร้ออยู่หน้าครับ <c oughs> ก็พาผมมาที่โรองอยางแตรที่ปิดแตรทีิปิดที่อำเภอบ่อชอกนะไอ้าฟนสาวผมแต่ผมไม่อยู่ทถวเก็บแต่ที <c oughs> น, นี้ก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งผม <c oughs> ทองเขาขาวนีว่กลับไม่ได้อ้างชื่อใครครับเอ่อทีนี้ก็พอมาถึงนี้ผมก็สมาธิวันแรกผมเข้ามาทํางาน เขากผมว่าผมไม่ได้ชื่อนะครับขอกรรการมาเลยสาอางอะไรเขานั้นผมไม่ได้ชื่อบผมชื่อนายงกิจผมก็ตะลึงเขาตเข้าไปบนนั่งพักเลยเพราะว่าลุงาเรียกผมว่าลุงผมก็อกโอ้ยตายเจอเรีสักแก่เรยกีไไหมเรียกนี่ยก็ได้ก็ได้เขาบกผมวคาพ่พจะถามลุงลุงมีูกกี่คนบอกมีคนเดียวมีลูกแค่แค่ลูกผมแล้วถามเจนมีลูกกี่คนแค่มีลูกสามคนแล้วก็มีลูกชายคนหน่งสามคนมีหนึ่งคน ไม่เสียดายเขอตัดแต่เรื่วลาครับครับคับเอ่อตรงนี้ผมเคยเห็นอะไรเยอะแยะเลยเห็นอะไรเอะนเยอะไหครับขอโทษครับถ้าถ้าเป็นไปได้กรุณาเขียนจุดหมายมาได้ไหมครับมาที่รายการสิงคกปร์ได้ไหครับได้สยาี่จะได้นั่งยาวให้จ้าคจาพระมาใส่ฉัเลยไม่เห็นอะไรเลยมันเห็นช่วงกระดูกนะครับครับได้ครับได้ครับไม่เห็นเสือหรือสีแล้วก็พระแล้วก็เห็นเขจะได้เป็นประสบการณ์นะครับ ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับอภิญยาต้องพูดเยอะให้ต้องพูดเยอะ e> อจรงิจรงๆคืออภิญญาเนี่ยเป็นโลกิยะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาได้แล้วก็เป็นอุ ป, ปทานเป็นสัญญาจากอดีตก็ได้มันก็ต้องว่ากันหลายเรื่องนะฮะคือการที่เป็นอภิญญาจริงๆมีกิเลสโยมต้องสงบนิวรณ์ทั้งหมดต้องสงบครับเพราะว่ามันมันมันเป็นผลมาจากฌาน ชาเนี่มันปูดเป็นเป็นตัวสงบนิวรณ์คือคือพูดออกอากาศอย่างนี้มันมันไม่ได้หรอกมันสองสามนาทีที่พูดไม่ได้ก็อย่างที่ว่าโยมเขียนมาดีกว่าครับในเขียนมาดีกว่าแล้วถ้ายังไงมาจะตอบใส่เทปให้เลยครับเพราะว่ามันมันเรื่องยากเลยนะครับผมเขาจะสอนคำถามว่าศีนตบรมสมาธิสมาธิอุปนิสัอันนี้มันมันธรรมดาอยู่แล้วนะฮะคือโยมจะลองสังเกตว่าโยมนั่งนิ่งนิ่งเนี่ยโยมนั่งนิ่งนิ่งมันก็เป็นศีนแล้วครับ แล้ศีลเมื่อเรานิ่งเนี่ยมันก็เป็นสมาธิมันก็เป็นสมาธิแล้วความคิดมันจะผุดขึ้นคือเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นวิถีชีวิตประจําวันธรรมดาเนี่ยเช่นเราลืมอะไรลราหยุดโเร า, เรานั่งนิ่งๆอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิและปัญญามันก็ผุดขึ้นอ้าวนึกออกเห็นไะ <c oughs> ที่จริงมันเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญามันเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วมีเชื้ออยู่หมดทุกคนแ่ะเชื่อมากหรือน้อยก็แล้วแต่ครับ เพราะฉันอาการที่เราระลึกได้เนี่ยก็คือปัญญามันเกิดอ่ะครับก็แสดงว่าพอถึงจุดหนึ่งพออบรมซึ่งกันรายการในศีลมันก็ไปนีดขึ้นสมาธิมันก็สูงขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นแล้วปัญญาก็มาตรวจสอบศีนทําให้ศีนปนีดขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นก็ถึงจุดหนึ่งเขาก็สมบูร์ในตัวของเขาเอง ก็ทำนองทำนองแค่าค่กวนขนมกวนไปกวนมาเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะครับขอบคุณครับมีแฟนรายการฝากมาถามมาทคุณจงครับถามว่าเขาไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแนวรัฐศาสตร์นะครับบอกว่า เราเนี่ยจะต้องปกครองในหนึ่งนะนับถือเสียงส่วนใหญ่นะครับข้อข้อที่สองคือเรื่องกฎหมายเรื่องกฎต่างๆนี้จะต้องนะล้วออฟฟลอร์คือต้องทําการกับถือกฎต่างๆแล้วข้อที่สามรู้จักการปฏิบัติ n o เรื่องหลักการทางศาสตร์เี่ยเขาถามแล้วก็ไปอ่านหนังสือตะุทสนาพบว่าพระเจ้าสอนมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วครับเขาเถถามว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยทําไม พุทธศา ส, สนานี่มีเพจมีสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้มากมายทาไมคนที่ถือศาสนาพูดจริงถึงไม่ไม่ไม่ศึกษาเรื่องนี้ดีๆไม่ใช่เกือพูดกันเยอะพูดกันเยอะอย่างเงี้ยอย่างบรรยายกันเยอะติเกี่ยวมาเวลาไปบรรยายเรื่องความมั่นคงกับทะหารเนี่ยเราก็พูดเรื่อยครับคือคือเขาพูดแล้วก็พูดไปเลยอมาบญญารรยายวปอ อ, อยู่ตั้งนานหลายทีนะครัวพอทหารเรื่องพระุทธศาสนากับความมั่นคงอะไรต่างๆนี่เราพูดมาเยอะ พูดอยู่เจ้าแต่มันเขาไม่ฟังกันะวิทานวิชานี้คือเรยยาจะลืมมันเป็นระดับของพระวินัยพระวิ น, ย น, นัยเลยเป็นระดับของพระวินัยมันเป็นพระวินัยในตัววินัยเนี่ยคือนิติศาสตร์ แต่การบริหารเนี่ยมันคือเป็นรัฐศาสตร์บริหารตามทุนในเนี่ยทีนี้พอมันเกิดเป็นปัญหาอะไรขึ้นมามันก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยคือถึงจุดหนึ่งมันหาข้อยุติไม่ได้ก็ต้องอาศัยเสียงข้างมากเป็นประมาณแล้วคนที่เสียงน้อยกว่าก็ต้องยอมไปนิพนอมออมเอาละเสียงข้างมากก็เอาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้แหละนะมันก็เกิดเป็นการประสาประโยชน์กันก็ก็ เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเป็นเรื่องธรรมดาก็ที่จริงก็สอนมาเตือ น, นทำันตรีเลยทั้งหมอมันไม่ใช่ไม่สอนหรอกแต่มไม่เอาเองครับ คือคือเราเคือฝรั่งกันเกินไปเขาฝรั่งพู ด, พพ ด, พดไปเราก็กใช่คือเราเชื่อฝรัง่งเราไม่เนื้อกว่าฝรัง่งอเมริกาเนี่ยมันเพิ่งเกิดชาติเพิ่งเกิดมาสองรอกว่าปีท่านนั่นเองครับเก <c ười> ิดใกล้กลใกล้กับกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยเรามารเราสร้างบ้านแปลงเมืองมาตั้งเจ็ดรอดกว่าปีแล้วครับแล้วถ้าพูดถึงพ่อขุนเรือเมืองเราก็ว่ามาตั้งสองพันกว่าปีแล้วคือคือคือตัวเองเนี่ยไม่ดูมิ่นดูมิ่นชาติพันธุ์ตัวเองนั่นคือจอรอรนคนไทยออื สิ่งดีงามที่มีอยู่ในสังคมไทยนี่มีเยอะครับแล้วก็คุณคุณลองยกมาให้ดูกันแล้วกันแล้วอามาจะเอาของพระพุทธศาสนาเข้าไปประกอบให้ดูว่าตรงนี้ทุกเรื่องเลยครั ค, คุณเสนออะไรมันก็ได้เอาย ก, ยกมาเขียนมทาทั้งหน้าครับแล้วมาจะจะเทียบเคียงให้ดูว่าตรงนี้พระเจ้าว่ายังไงตรงนี้พระเจ้าว่ายังไงตรงนี้พระเจ้าว่ายังไงครับอย่าลืมว่าความรู้ระดับสัพพัญยุตยานมันไม่มีใครรู้เกิดนั้นแล้วครับแต่ว่าเราไม่เอาเองแล้วเราก็ไม่รู้จะไหวอย่างไงครับนะ เราจะเห็นว่าพระเจ้าอโศกพระเจ้ากนิษฐกะมหาราชแล้วก็มีกษัตริย์ของญี่ปุ่นอีกองคหนึ่งเขาเรียกว่าอสศกญี่ปุ่นเนี่ยมีไม่เกี่องค์อ่ะแล้วก็สมัยสุโขทัยเราก็เห็นไหมให้เป็นยุคฟองด่างพุทธศาสนาเราเราก็เคยสัมผัสแต่สัมผัสได้ระยะสั้นๆครับแต่รายการบอาไปเจอคําฝรั่งคำว่า rule of law คำว่า m a n o r i t y rights คำว่า p r o t e c t i o n minority ที่จริงก็มีวัตถุศาสนาหมดทุกอย่างก็มีแล้วมีมีตลอดครับ ก็ค บ, บคุณครับสายต่อไปนะครับสวัสดีเข้าไปรายการครับกครัก์าารครับรบรบรบกวนขอเสียงดังอีกนิดหนึ่งนะครับอ๋อครับในในปัจจุบันนี้เวลาที่พระสงฆ์ไปเจริญพรุทธมนต์ตามบ้านโยมเนี่ยก็เจ้าเจ้าภาพเนี่ยแตถ้าเกิดว่าเป็นเป็นงานแต่งเจ้าภาพ เห็นว่าเจ้าสาวน่าตั้งคันแล้วก็จะขอพระสงว่าไม่ใสวดบทน่าตัวหังกระบทโพชังโคเพราะเกรงว่าเจ้าสาวเนี่ยจะแทงลูกถึงบางทีเป็นคําคําขอเชิงสั่งนะครับพระภิกษุนี้ก็อยากให้ท่านอาจารย์เจ้าคุณช่วยที่ให้ยอฟังเรื่องนี้ด้วยมีข้อเท็จจริงดังใดนะครับไม่ไม่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะไม่ไม่ใช่ธรรมดาว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่ว่าสวด ยโตัวหังใช่ไหมตะตเกยตัวหงครับะยาตัวหังที่จริงช่วยให้คลอดได้สบายได้สบายนะเป็นพรที่พระองค์กลิมาณท่านกล่าวให้พรแก่ผู้หญิงคนหนึ่งจึงท้องแก่ไม่ใช่ว่าพอให้พปรปั๊บลูกไหลพรวดรอบมาบไม่ใช่ยังั้นเมื่อถึงเวลาคลอดแต่มันคลอดสะดวก นะเป็นคาถาที่แม้แต่หมอตำแยเขายังเป็นสาธยายอยู่ครับแล้วโพ่ชงเนี่ยมันให้หายป่วยคือแสดงว่าเอาอะไรมาจากไหนไ ม, ไม่ไม่มีข้าวเลยนะะไม่จะเล่นไม่มีข้าวไม่มีมูลฐานอะไรของความเชื่อระดับนี้เลยก็แปลกนะก็แปลกเป็นเป็นแสดงว่าถูกต้มมาส่วนมากคนต้มกันเยอะเช่นกรวดน้ําแล้วเอามือไปล้างน้ําที่รองแล้วเกาะหลังกันไปแท้ไม่รู้มาจากไหน กับแปลกกับแปลกแปลกจริงๆครับขอบคุณที่กรจยครับขอญยกประชามพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าในวันนะครับเสาร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2549นะครับอยู่ไม่กี่วันนี้นะครับทางท่านพลเอกเสรีและดรชินีพรพุกมานะครับ จะนํากรถินสามัคคีไปทอดน้วัดพระธาตุจอมศิลป์ตบนบ้านท่ามพื้นต่อคําต้จังหวัดพะเยานะครับซึ่งทํามาโดยทุกปีนะครับก็ขอเรียนเชิญแฟรรายการนะครับทั้งหลายทั้งทุกท่านเลยนะครับที่ฟังรายการอยู่นี้ถ้าจะร่วมกันทําบุญหรือว่าจะร่วมอนุโมทนาบุญนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับวันเสาร์ที่ยีิบแปดตุลาคมนี้ที่เจอกันที่จังหวัดพะเยานะครับเวลาเก้านาฬกาจะทําการถวายกระถินนะครับที่จังหวัดพะเยาโดยท่านพระเอกเสรีด็อกเตอร์สินพรพุกมารครับขอฝากแฟร์รายการครับขออนุ อยากจะศึกษาวิธีทํางานของเจ้าคุณอาจารย์นะครับเพรในการเขียนหนังสือในการเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยครับอายุเจ็ดิบสองย่าเจิบสามนะครับทำไมสามารถจะเขียนหนังสือได้ถึงขนาดเหมือนเป็นอัจฉริยะจริงนะครับหนังสือหลายเล่มเนี่ยครับบางคนก็บอกว่าอูเขาใช้เวลาในการอ่านเนี่ยอ่านพระไตรบิดกบางทีอันยังจะไม่ค่อยเข้าใจเจ้าคุณอาจารย์นี่สามารถจะมาเรียบเรียงให้คนเข้าใจเนี่ยเป็นพรสวรรค์หรือเป็พรแสวงนะครับ็พรแสวงมากกว่าครับคือคือมาเป็นคนอ่านหนังสือมากครับ อ่านหนังสือมากแต่ว่าพอจะพอจะเขียนก็คือเอาเลยครับจะไม่เปิดตําราดูนอกจากมันเกิดสะดุดครับสะดุดเราจึงแบบเปิดดูลแล้วก็ตามตามปกติก็ว่าไปเลยถ้าพิมพ์ก็พิมพ์เลยถ้าพูดก็พูดเลย<อ>เพราะงั้นมันมันจะเร็วก็ทําให้หนังสือบางเรื่องที่เราเราอ่านจนเรียกว่าขนาดตกผลึกเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําหนังสือห้าร้อยหน้าโดยใช้เวลาแค่ยี่สิบกว่าชั่วโมง<ช>มทําได้เลย ก็มันมันมันเป็นวิธีผ่อนแสวงครับเก็มาชื่นชมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ครับกับพันเอกปิ่นมุทุกันกับอาจารย์สุชิบุญญาโนภาพครับผมเพราะเราฝันเราฝันอยากจะเดินตามสามคนเนี้ยตั้งแต่เด็กๆมาคแต่แต่เป็นพระบุตรใหม่เนี่เราฝันเราชื่นชมกับคนสามคนนี้มากครับผมแล้วก็ทําให้ติดตามศึกษาวิธีการต่างๆครับแต่แต่ว่า คุณยากครีติที่ที่จริงแกแกพูดไม่เป็นแกต้องเขียนต้องอ่านนะต้องเขียนอพันเอกปี น, นี่ทําได้ทั้งสองอย่างครับอาจารย์อาชีพอาจารย์อาชีพนี่พูดพูดก็ดีเขียนก็ดีครับนะแต่ว่าไม่สามารถจะพูดให้เป็นเขียนได้ครับพเอกปินก็เหมือนกันครัอย่า ง, งของจัมพคุณสมเด็จประสังกราชเนี่ยท่านพูดเป็นเขียนได้ครับ ของของส้เดบัสสังกราชเรียกว่าโอวาทอะไรก็ตามนะฮะเวลารับสั่งเสร็จแล้วก็ถอดเทปแล้วพิมพ์ได้เลยเป็นเล่มได้เลยนอนี่นี่ก็ฟันแบบหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสด้วยเจากก้าคุณพรมคุณาภรก็มีลักษณะอย่างนั้นนะคือหมายความว่าที่เขาพูดเนี่ยมันสามารถถอดเทปออกมาแล้วก็จัดวรรคตอนก็กลายเป็นหนังสือเราปรับปรุงนิดหน่อยฟังกันแล้วแต่ ที่อาจารย์นิดหนึ่งนะักศึกษาฝากมาถามหลายท่านเลยนะหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยสมาธิในการอ่านหนังสือเนี่ยบางคนแบบว่าเด็กสมาธิสั้นอะไรพวกนี้ฮะจะฝึกยังไงดี ค, ครับที่อาจารย์ครับจริงเอีคือคือจริงๆเนี่ยหลักการอ่านหนังสือเนี่ยครับเอามาให้เด็กเก็บเท่าเป็นสูตรเลยตาดูหูฟังปากอ่านใจกำหนดโอ้ตาดูหูฟังปากอ่านใจกำหนด สอนเด็กเลยครับเวลาอ่านหนังสือนี่ตาดูที่ตัวหนังสือแล้วก็ปากอ่านแล้วหูนี่ฟังใจกําหนดเสียงที่เราได้ยินกับตัวที่เราดูคใช่ไหมฮะหมายความหนังสือตัวเนี้ยผ่านทางตาด้วยผ่านทางหูด้วยผ่านทางใจด้วยครับที่เดียวเนี่ยเหมือนกับสามเหมือนกับอ่านอ่านสามจบตรงนั้นอาตมาสามารถท่องสามารถท่องหนังสือตอนเข้าอยู่วัดรวมก็บังคับสองฉบับ สวนมูลฉบับหลวงกับปาติโมกคสมาใช้เวลา20วันจบบดเลยว่าปากเปล่าี2กวันก็เป็นพระรูปสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ที่วัดอรุณครับผมผานละสูตรนี้มาต่อมาเขาย่อส่วนละครับตอนเอามาอยู่เนี่โอ้เขาบังคับเลยครับเอามาท่องได้24วันทั้งว่าดเดีย ว, ว่าหมูนะฮะว่าดเดียก่อนแล้วก็เสร็จแล้วไปซ่อมหมูผ่านภายใน24วันครับสองเล่มครับ ส่วนฉบับหลวงร้อยกว่าสูตรแล้วก็ปฏิโมกนะครับต้นหยิ่งเล่มเด็กก็ฝ่านด้วยสาวไว้นะครับตาดูหูฟังปากอ่านใจกําหนดทดลองดูฮะทดลองดูคือนั่งสมาธิเสียก่อนครับนาน้ำมาท่าให้สบายแล้วก็นั่งทําใจสงบแล้วก็เริ่มอ่านครับอ่านพอพอใจชักจะเพลิดแล้วหยุดนั่งสมาธิอีกอันดิกเนี่ยตาดูหูฟังปาอ่านใจกําหนดตาดูหูฟังปาอ่านใจกําหนด จะดีกว่าเรียนให้รู้ดูให้จําทําให้ได้ใช้เป็นก็เสร็จแล้วมันจะออกมาอย่างนั้นใช่ไหมฮะเรียนรู้ดูจําทําได้ใช้เป็นเรียนรู้ดูจํำมันเกิดมาจากการดูฟังฟังอันใจกำหนดครับผมเนี่ยครับพลน์สวงมันสู้พลนสวรรค์เออพลพรสวรรค์นันสู้พรแสวงไม่ได้หรอกครับต้องแสวงฮะ เราเราเริ่มต้นที่ไหนก็ตามขอให้พยายามต่อไปกันแล้กันครับผมครั บ, รบามาบทุกวันอายุเจ็ดิบสามยังอ่านหนังสือมากกว่าเด็กที่กุฏิใช่ครับทกกก็เห็นแกก็เห็นมาอ่านหนังสือเรียกมาเมื่อไหร่ก็เห็นนั่งอ่านหนังนรรสืออยู่ครับผมใครข้ามาเมื่อไหร่ก็เห็นหนั่งอ่านครับแต่ตแกก็ไม่เอาอย่างครับมี่ก็ไม่รู้จะว่าไงกไดขอบคุณครับขอสายสุดท้ายนะครับสายที่สิบหกครับสวัสดีเข้าไปรายกันครับนรมาสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อถามอยากจะ สอบถามสมเด็จพระากโตกับรัชกาลที่ห้าในเรื่องข้องกันอย่างอย่างไรกันบ้างอ่ะครับครับแล้วฟังการวิจัยนะครับกี่จริงมันมั น, มนก็เป็นคนลรุ่นนะฮะคือคือรัชกาลสมเด็จโตตอนรัชการที่ห้าเนี่ยท่านก็แก่แล้วแต่ว่าท่านช่วยคุ้มครองเมื่อตอนที่มีข่าวไม่ค่อยดี นะเป็นข่าวลื อ, อแล้วท่านก็อจุดใต้เข้าไปในพระบรมราชมหาราชวังตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าปยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ก็มีข้านะฮะคือคือเขาเป็นข่าวลือแล้วท่านก็บอกว่ า, ว า, วาโลกมันมืดโดยเจ้าปยาสมเด็จเจ้าปยาท่านก็รู้ว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกลัวโยมรับประกันใหในะ้โยมรับประกันให้ไม่ต้องมีตัวกลางบนนะก็ก็ช่วยเยอะแล้วก็ ที่ภาพสอนหนังสือที่จริงเป็นภาพคนอื่นแต่๋ยวาอ้างไปเฉยๆภาพเที่เอมาถ่ายแล้วก็บอกว่าสอนหนังสือเนี่ยคือคือคือไม่ใช่มันเป็นคนละรุ่นกันคนละรุ่นคือคือท่านมันรุ่นในการที่สี่ครับรุ่นในการที่สี่ตอนตอนตอนรายการที่ที่ที่จริงท่านท่านมันมันเกิดรุ่นรายการที่หนึ่งนั่นครับแล้วก็มาถึงรายการที่สองรายการที่สามเนี่ยจะตั้งให้เป็นราชาคณะท่านไม่ยอมครับท่านหนีไปอยู่ประเทศลาว พอ oh, oh, oh. ถึงยุครายการที่สี่ท่านก็กลับเข้ามา ร, ราการที่สี่ก็ตั้งเป็นพระธรรมกิตติแล้วก็ท่านก็รับา ร, าา ร, รายการที่สี่ก็ถามอ้าวครัวโตราการที่สามตั้งให้เป็นราชาคณนะไม่รับพอโยมตั้งทำไมาจึงรับเราโอ้ยมันผิดการพอ ร, รายการที่สามเป็นแค่พระเจ้าแผ่นดินมหามพิทเป็นเจ้าฟ้า ก็อาตมาหนีแผ่นดินได้หนีฟ้าไม่ได้ขอบคุณเจ้าคุณอาจารครับขอญาตประชาสัพันธ์นิดนึ่งนะครับสำหรับที่อยู่ของรายการเสียงทําจากศรีปทุมนะครับแฟนรายการหลายท่านจดหมายมาได้นะครับที่รายการเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม61ปรนโยธินจะจักงกรุงเทพ1 0 9 0นะครับจะนําข้ อ, อปัญหาทุกข้อมาตอบปัญหาในรายการนะครับโดยประเด็มคุอพัะเทพดีหลกครับวันนี้ขอความเจริญธำมมีแ ด, ด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านครับขอกราบสวัสดีครับ